หลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะข้อขอความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมีหลักต่อไปนี้เรียกกันง่ายๆว่าความสุขของคฤหัสถ์สประการดังพุทธพจน์ในอนัตนาถสูตรอังคุตระนิกายจากตรกรนิบาต ท, ที่ตรัสแก่อนาตบิณฑิกะคฤหับดีว่า ดูกระกระ บ, บดีความสุขสี่ประการนี้เป็นสิ่งที่กฤหัดผู้บริโภคกามควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามกาลตามสมัยความสุขสี่ประการนั้นคืออัติสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์โพคสษฐุสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคอนัณณสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นนี่และอนวัชชสุข สุกเกิดจากกรรมดีงามไรโทษความสุขประการที่หนึ่งอัติสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉนคือกุลบุตรมีโพคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอากเหงือต่างน้ำเป็นของชอบทมได้มาโดยทมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่า เรามีโพคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าอัตติสุขความสุขประการที่สองโพคะสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไฉนคือกุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลาย ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหนือต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัสว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทาสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภกสุข ความสุขประการที่สอนาณาสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นนี่เป็นไฉนยคือกุลบุตรไม่ติดนี้สินไรๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่าเราไม่ติดนี้สินไรๆของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอนาณสุขความสุขประการที่สอนวัชสุข สุขเกิดจากกรรมดีงามไรโทษเป็นไนคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไรโทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไรโทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไรโทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไรโทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไรโทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไรโทษ นีเรียกว่าอนวัรชสุขเมื่อตรหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้วคนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดเขามีปัญญาดีย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้และเห็นว่าความสุขทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของความสุขที่มีความประพฤตสุจริต ไรโทษ